กฎหมายบ้านเมืองกฎหมายคณะสงฆ์ตำรวจจับพระไปสืบ ก, ก่อนสอบสวนที่หลังตำรวจทำไม่ถูกต้องกฎหมายคณะสงฆ์ก็มีวินัยสงฆ์ก็มีมันต้องให้คณะสงฆ์สอบสวนให้มันได้ข้อมูลก่อนว่าสมควรลาศิกขาหรือไม่แล้วจึงมอบให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการ อันนี้ทากันแบบเนี้ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะพอนิมนท์พระไปโรงพักให้ศึกจับเข้าห้องขังและสอบสวนที่หลังเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายข้อที่ว่าห้ามขังพระแต่ว่ามันก็ขัดกับกฎหมายคณะสงฆ์พระภิกษุทําผิดพระธรรมวินัยคณะสงฆ์ต้องสอบสวนก่อนคณะวินัยถอนก็มีสารของสงฆ์มีสารชั้นต้นสาลอุทธร์สาลดีกา